ทีว่าประวัติหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากหนังสือพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอรหันตแห่งดอยแม่ปังหนึ่งชาติภูมิและถิ่นกำเนิดพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านนาโปง ตำบลหนองในปัจจุบันคือตำบลนาโปองอำเภอเมืองจังหวัดเลยเดิมชื่อยานเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2430ตรงกับวันจันทร์ขึ้นสามค่ำเดือนยี่ปีกุลโดยถือกำเนิดในตระกูลช่างตีเหล็กลำดับวงตระกูลดังนี้ฝ่ายบิดาบิดาชื่อ นายใสยรามศิริปู่และย่าไม่ปรากฏชื่อฝ่ายมารดามารดาชื่อนางแก้วรามสิริยายชื่อยายขุนแก้วตาชื่อตาขุนแก้วหลวงปู่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคือนางเบงราชอักษรเมื่อมารดาถึงแก่กรรมบิดาได้มีภรรยาใหม่อีกสามคนตามลำดับคือ ภรรยาคนที่หนึ่งมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อนางคาหลังจากภรรยาถึงแก่กรรมจึงได้ภรรยาคนที่สองภรรยาคนที่สองมีธิดาด้วยกันหนึ่งคนชื่อนางนำหลังจากให้กำเนิดธิดาได้ไม่นานก็ถึงแก่กรรมภรรยาคนที่สามมีบุตรธิดาด้วยกันสี่คนเป็นชายหนึ่งคนชื่อนายไาย และหญิงสามคนคือนางกองคายนางสามและนางพวง 2. คำสั่งของมารดาเมื่อนางแก้วให้กำเนิดหลวงปู่ได้ประมาณห้าปีจึงเริ่มป่วยอาการมีแต่ทรงกับทุดแม้จะได้รับการรักษาดูแลอย่างดีจากสามีตลอดจนบิดามารดาก็ตาม นางแก้วต้องทนทุกขทรมานอย่างน่าเวทนาอยู่เป็นเวลานานแต่เนื่องจากเป็นผู้ที่สนใจในการบูญการกุศลยึดมั่นในคุณแห่งพระ ร, ะระตัตนตรยัยจึงสามารถควบคุมสติได้โดยตลอดจนกระทั่งเมื่อเห็นว่าจะไม่สามารถทนทุกขเวทนาต่อไปได้อีกแล้วจึงได้เรียกหลวงปู่เข้าไปหาและได้จับมือไว้แน่นพร้อมกับกล่าวว่า ลูกเอ๋ยแม่ยินดีต่อลูกสมบัติใดในโลกนี้จะเป็นขี่ล้านขี่โกดก็ตามแม่ไม่ยินดีแม่จะยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่เมื่อลูกบวชแล้วก็ให้ตายกับผ้าเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียนะคำขอร้องของบรรดาในครั้งนั้นเปรียบเสมือนท่านได้ช่วยชีย้ทางสวรรค์และเป็นพลังใจ ทรงให้หลวงปู่เดินตามเส้นทางนี้จนบรรลุมรรคผลแม้จะต้องฝ่าฟันต่ออุปสรรคนานับประการและทุกครั้งทางสวรสที่มารดาชี้แนะให้นี้จะดังก้องอยู่ในความทรงจำของท่านอย่างมิรู้ลืมหลังจากนั้นไม่นานมารดาของท่านได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบวิปโยคในครั้งนี้ก่อให้เกิดความเศร้าโศกแก่หลวงปู่อย่างที่สุด ซึ่งท่านได้อยู่ในความอุปการะของตาและยายต่อมาจนกระทั่งคืนหนึ่งยายของท่านได้ฝันว่าเห็นหลวงปู่นอนในดงขมิ้นผิวกายแลดูเหลืองอารามไปหมดนับเป็นบุพนิมิตที่แจ้งเหตุว่าหลวงปู่จะมีวาสนาในสมณเพศเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นยายจึงได้เล่าความฝันให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้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 ซึ่งหลวงปู่ได้ตกลงรับตามคําขอร้องนั้นสร้างความปราปื้มยินดีแก่ยายเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่มีญาติสนิทเป็นชายอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่มีศักด์เป็นน้าและเป็นเพื่อนเล่นที่สนิทกันมาตลอดวันหนึ่งยายได้เรียกนะ้าและหลวงปู่เข้าไปหาแล้วพูดว่ายายจะให้เจ้าทั้งสองบวชเป็นเนนเมื่อบวชแล้วไม่ต้องศึกเจ้าจะบวชได้ไหม น้าได้ตอบรับตามคำที่ยายขอร้องยายจึงหันมาถามหลวงปู่ว่าเจ้าเล่าจะบวชอยู่ได้ไหมโดยไม่ต้องศึกซึ่งหลวงปู่ได้ยืนยันตามคำตั้งใจเดิมว่าจะขอบวชจนตลอดชีวิตสบรรพชาเป็นสมณีนับตั้งแต่ยายได้ถามความสมัครใจของหลานทั้งสองว่าจะบวชจนตลอดชีวิตแล้ว จึงได้แสวงหาบริขารสำหรับเพื่อบรรปชาเป็นสมเนนเมื่อครบแล้วจึงได้นำหลานทั้งสองไปถวายตัวต่ออุปชาซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าที่วัดโพชัยซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านนาโปงเพื่อฝึกหัดขานนาคและรับบรรพชาเป็นสมเนนต่อไปเมื่อพุทธศักราช2439ขณะนั้นหลวงปู่มีอายุ9ปี และได้เปลี่ยนชื่อจากยานเป็นสัมเนินแหวนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากเข้าพรรษาแล้วประมาณสองเดือนสัมเนินซึ่งมีศักเป็นน้าได้อาพาธอย่างหนักและมรณภาพในที่สุดก่อให้เกิดความสะเทือนใจแก่หลวงปู่แหวนเป็นอย่างมากเพราะสัมเนินั้นเป็นทั้งญาติเพื่อนเล่นในสมัยเด็กและเป็นคู่นาคสมัยเมื่อบรรพชาเป็นสัมเนินการพัดพลาดเป็นทุกข์อย่างมหัน์ ปุตุชนใดเลยจะสามารถหักห้ามใจได้น้าตาจึงเป็นเครื่องปลอบใจของหลวงปู่ในยามเศร้าเช่นนี้ก่อนที่จะจัดการศพ ส, สามเณรยายได้พูดเตือนย้ำคำพูดเดิมของท่านอีกครั้งหนึ่งว่าเนเนจะบวชไปจนตายกับผ้าเหลืองอย่างนี้ได้ไหมซึ่งหลวงปู่ได้รับคำเช่นเดิมการบรรพชาที่วัดโพชัยนั้นท่านไม่ได้ศึกษาอะไรเพราะไม่มีผู้สอน วันหนึ่งหนึ่งจะมีการไหว้พระสวดมนต์บ้างและเล่นบ้างตามปริศาเด็กที่มีเวลาว่างการศึกษาของหลวงปู่ตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กจนบรรพชาเป็นสัมมณีนั้นไม่ปรากฏหลักฐานว่าท่านได้รับการศึกษาอะไรเพราะการศึกษาในสมัยนั้นไม่แพร่หลายเหมือนในปัจจุบันดังนั้นท่านจึงได้เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปศึกษาโมลกระจาย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 การเรียนมูลกระจายนั้นเป็นการเรียนที่ค่อนข้างยากผู้เรียนจะต้องมีสมองที่ดีสามารถเรียนได้จบหลักสูตรซึ่งจะได้รับการยกย่องนับถือจากคนทั่วไปว่าเป็นนักปราชญาเพราะเป็นผู้แตกฉานในทางสามารถแปลหนังสือได้ทุกชนิดต่อมาภายหลังสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาววชิรยาณวโรรสทรงเห็นว่า การเรียนแบบมูลกระจายนั้นยากเกินไปมีผู้เรียนจบหลักสูตรน้อยและต้องเสียเวลาในการเรียนนานเกินความจำเป็นจึงทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนเสียใหม่ซึ่งได้ใช้เป็นหลักสูตรของการศึกษาฝ่ายคณะสงฆ์มาจนถึงปัจจุบันนับแต่นั้นเป็นต้นมาการเรียนมูลกระจายจึงได้ถูกลืมไปจากวงการศึกษาของคณะสงฆ์ตราบจนทุกวันนี้จากการเล่าของหลวงปู่ว่า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 นักเรียนจะต้องเข้าป่าหาใบลานมาไว้สําหรับทําคัมภีเพื่อฝึกหัดจานหนังสือวิธีทําคัมภีก็คือไปหาใบลานมาเลือกเอาเฉพาะใบที่อายุได้ปีหนึ่งแล้วถ้าเอาใบอ่อนมามักใช้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเอาใบแก่เกินไปใบมักเปลาะแตกง่ายเมื่อหามาได้แล้วก็เอามากรีดลิบใบและก้านใบออก ตากน้ำค้างไว้สามคืนพอหมาดแล้วจึงใช้ได้หรือเชือกร้อยทำเป็นผูกๆมากน้อยแล้วแต่จะทำเวลาไปเรียนกับอาจารย์ก็ใช้คำภีนี้เองคัดลอกตำรับตำราตลอดจนหัดจานหนังสือพร้อมกันไปด้วยเพื่อนๆที่เรียนหนังสือด้วยกันในสมัยนั้นเท่าที่จำได้มีพระเฮียงพระเหลา ภายหลังเพื่อนทั้งสองได้ลาสิกขาไปหมดสำหรับอาจารย์ที่สอนนั้นเท่าที่จำได้มีดังนี้พระอาจารย์เอี่ยมวัดเวรุวันบ้านไายใหญ่สอนวิชามูลกระจายพระอาจารย์ชมเป็นคนใจเย็นเวลาสอนหนังสือก็ใจเย็นทำให้ลูกศิษย์ชอบมากพระอาจารย์ชาลีเวลาสอนหนังสือจะดุมากแต่แปลได้ทิสดานเพราะเคยลงไปศึกษาอยู่กรุงเทพนานถึงสิบปี พระอาจารย์อ้วนสอนไวยากรณ์สอนแปลโดยแบ่งคัมภีร์พระปาติโมกเป็นพื้นแปลกันคล่องแคล่วจนขึ้นใจหลวงปู่เล่าว่าท่านเองไม่เคยท่องปาติโมกแต่ท่านสามารถยกสีขาบวบทขึ้นมาแปลได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ติดขัดขณะที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นั้นท่านมีอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทในสีมาวัดบ้านสร้างทอนั้นเอง โดยมีท่านพระอาจารย์แว่นเป็นพระอุปชาสำหรับกรรมวาจาจารย์และอนุสาวนาอาจารย์นั้นไม่ปรากฏชื่อระหว่างกำลังเรียนท่านอาจารย์อ้วนและอาจารย์เอี่ยมได้อาพาธด้วยโรคนอนไม่หลับหมอทั้งหลายช่วยรักษาอย่างไรก็ไม่หายหลวงปู่ซึ่งไปเฝ้าพยาบาลได้แนะนำให้อาจารย์เปลี่ยนเพศเสียบางทีโรคอาจหายได้และหากยังมีความอาลัยในสมณะเพศอยู่ ค่อยกลับมาบวชใหม่อาจารย์ก็ทำตามปรากฏว่าโรคหายดีและได้มีครอบครัวในที่สุด 4. มูลเหตุแห่งการเตือนตนหลังจากอาจารย์อ้วนและอาจารย์เอี่ยมลาสิกขาไปแล้วไม่นานบรรดาครัวอาจารย์ที่เคยสอนหนังสือคืออาจารย์ชมอาจารย์ชาลี และอาจารย์อื่นๆก็ลาสิกขาไปหมดทำให้การเรียนมูลกระจายต้องหยุดชะงักลงเมื่อครัวอาจารย์ศึกไปหมดแล้วตอนนั้นหลวงปู่รู้สึกจิตใจว้าวุ่นรวนเรเพราะความว้าเหวขาที่พึ่งท่านจึงมาพิจรนานรณาดูว่าเราจะทำอย่างไรดีในเมื่อบรรดาครัวอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สึกไปหมดแล้วเช่นนี้เราจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือจะไปที่อื่น และหลวงปู่จึงพิจารณาต่อไปว่าบรรดาครัวอาจารย์ทั้งหลายนั้นท่านศึกออกไปเพราะเหตุไรเนาเมื่อพิจารณาทบทวนไปมาก็เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าบรรดาครัวอาจารย์เหล่านั้นที่ศึกออกไปล้วนแต่เพราะกรรมทั้งสิ้นเป็นไปในอำนาจของกรรมกรรมนี้เป็นอุปสรรคเครื่องขัดขวางบุคคลผู้มุ่งต่อความดี บรรดาสัตว์ทั้งหลายยอมตายเพราะกรรมนี้มามากต่อมากเพราะความสำคัญผิดไม่รู้จักโทษของกรรมที่แท้จริงปล่อยใจปล่อยกาให้ตกไปสู่อำนาจของกรรมเมื่อถูกกรรมครอบงำจิตแล้วไม่รู้สึกสำคัญผิดคิดว่าดีจึงยอมตัวลงบำรุงบำเรอท้ายที่สุดก็ถอนตัวไม่ออกในที่สุดก็หวนระลึกไปถึง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 เหมือนครูอาจารย์ทั้งหลายในการก่อนที่ท่านบวชแล้วออกปฏิบัติอยู่กันตามป่าตามเขาไม่ได้อาลัยอาวร์อยู่กับหมู่คณะจึงมาคิดทบทวนดูครูอาจารย์ทั้งหลายผู้ที่มีชื่อเสียงบวชแล้วออกปฏิบัติกันในสมัยนั้นว่ามีอยู่ณที่ใดบ้างเท่าที่ได้ทราบข่าวของท่านก็มีอยู่ในที่หลายแห่งด้วยกันบรรดาครูอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติ ผู้ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นมีอยู่สามแห่งด้วยกันคือทางเวียงจันทร์ก็มีทางท่าอุเทนจังหวัดนครพนมก็มีทางสกลนครก็มีเมื่อพิจารณาถึงบรรดาครูอาจารย์ต่างๆนั้นแล้วจึงตัดสินใจว่าเราควรไปหาอาจารย์ทางสกลนครดีกว่าเย็นวันนั้นหลวงปู่ได้รีบอาบน้ําตั้งแต่ยังวันเมื่อถึงเวลาพระค่ํา หลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วจึงได้ตั้งสัจจาธิฐานตั้งตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตพรหมจรรย์ของข้าพเจ้าแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีด้วยอำนาจคุญบารมีของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้อบรมสังสมมาก็ดี ขอให้ข้าพเจ้าได้พบหรือได้ข่าวครัวอาจารย์ผู้ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบผู้สามารถแนะนำสั่งสอนข้าพเจ้าได้แม้ท่านจะอยู่ณที่ใดๆก็ตามขอให้ข้าพเจ้าได้พบหรือได้ยินข่าวของท่านในเร็ววันเมื่อข้าพเจ้าออกปฏิบัติแล้วอุปสรรคใดๆจงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยเมื่อตั้งสัจจปฏิฐานแล้วทาให้เกิดคนลุก สู้เย็นทราบซ่านไปทั่วทั้งตัวเบากายเบาใจจิตใจปลอดโปร่งตลอดทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นขณะไปบินดบ า, าดได้บอกความในใจของตนแก่โยมอุถัติคือแม่กาสีซึ่งโยมอุบัต์ได้แสดงความยินดีด้วยพร้อมทั้งกล่าวให้ความหวังไว้ว่าถ้าได้ยินข่าวหรือรู้ว่าท่านอาจารย์มั่นภูริัตโตมาถินนี้เมื่อใด หรือเพียงได้ทราบข่าวว่าท่านอยู่ณที่ใดก็ตามจะรีบบอกข่าวอันนี้ให้ทราบทันทีต่อมาประมาณสองถึงสวันแม่กาศียมอุปถัมภ์ได้มาบอกข่าวว่าท่านอาจารย์จวงวัดท่าเพิงอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีท่านเคยไปกราบนมัสการหลวงภูมั่นเพิ่งจะกลับมาไม่กี่วันมานี้เองให้ไปถามอาจารย์จวงดู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 ออกเดินทางมุ่งตรงไปวัดธาตเทิงอําเภอเขื่องในโดยได้เข้านมัมศการถามถึงที่อยู่ของหลวงปู่มั่นกับท่านอาจารย์จวงทันทีและได้รับการบอกเล่าจากท่านอาจารย์จวงเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นตามที่ท่านได้ไปกราบนมัส ก, การและฟังธรรมมาแล้วโดยท่านได้เล่าให้ฟังว่าบรรดาครูอาจารย์ที่ออกปฏิบัติเวลานี้คงจะไม่มีใครเกินยาครูมั่นไป ครั้งแรกผมก็ได้ยินแต่กิตติศัพท์มีผู้เล่าให้ฟังว่าท่านเทศเก่งรู้ใจคนฟังมีผู้คนไปฟังธรรมจากท่านมากมายครั้งแรกผมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างต่อมาผมมีโอกาสเดินทางไปอุดรผมจึงไปกราบนมัส ก, การฟังธรรมจากท่านพอผมไปถึงผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยท่านพูดอย่างนั้นอย่างนี้จนผมไม่กล้าพูดอะไร ผมกลัวท่านมากท่านรู้ใจเราจริงๆเมื่อผมได้กราบอรรมสการฟังธรรมจากท่านแล้วผมก็ลาท่านกลับมาถึงวัดไม่กี่วันมานี้เองไม่กล้ายอยู่กับท่านนานวันเพราะท่าทางคําพูดของท่านน่ากลัวถ้าท่านจะไปศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่นก็ไปเถิดผมยังมองไม่เห็นใครเวลานี้นอกจากญาครูมั่นองค์เดียวท่านปฏิบัติได้เด็ดเดี่ยวจริงๆ ท่านชอบไปองค์เดียวไม่ชอบไปเป็นหมู่คณะมีนิสัยหลีกเล้นปลารคความเพียรไม่ท้อถอยมีพระภิกษุสามเณรและประชาชนจํานวนมากไปกราบนมัส ก, การและฟังธรรมจากท่านเสมอไม่ได้ขาดจากการได้ฟังคําบอกเล่าจากท่านพระอาจารย์จวงเช่นนั้นทําให้ท่านเพิ่มความสัทธานในหลวงปู่มั่นยิ่งขึ้นแม้จะยังไม่เคยได้พบได้เห็นมาก่อนก็ตาม หลวงปู่ได้พักอยู่ที่วัดทาดเทิงกับท่านพระอาจารย์จวงพอมีกำลังดีแล้วจึงได้กราบลาท่านไปเพื่อติดตามหาหลวงปู่มั่นต่อไปออกเดินทางโดยไม่ย่อท้อต่อความธุระดานจากวัดบ้านทาดเทิงอำเภอเค่องในผ่านไปตามเส้นทางต่อไปนี้คือม่วงสามสิบคำเขือนแก้วยะโสธรเลิงนกพามุกดาหาร คำเชอีนาแกสกลนครพันนานิคมสว่างแดนดินหนองคานอุดอรบ้านผือนับเป็นการเดินทางไกลและยาวนานเป็นครั้งแรก